ยังมีคำถามที่เหลือให้ขอโอกาสท่านพระอาจารย์ได้ตอบคำถามแล้วหลังจากนั้นขอรัตนาท่านพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาให้อวาดแก่พวกผู้ปฏิบัติธรรมนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราผู้ปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าค่ะขอโอกาสเลยนะเจ้าค่ะเนื่องจากว่าที่เมื่อกี้ที่เพิ่งออกจากกรรมฐานกันนั่งสมาธิกันเป็นเวลา ได้ประมาณเกือบสามชั่วโมงนะคะมีคำถามใหม่เกิดขึ้นมาอีกขออนุญาตเรียนถามเลยนะเจ้าคะกับเรียนพระอาจารย์เวลานั่งดูลมหายใจเข้าออกอยู่ที่บริเวณหน้าจมูกเหนือริมฝีปากไม่ควรละไปดูที่อื่นใช่ไหมคะได้บุญดูลมหายใจเข้าออกอยู่ที่บริเวณจมูกเหนือริมฝีปากเท่านั้นใช่ไหมไม่ควรไปดูที่อื่น ที่ท้องเขาบอกเนี่ยค่ะซึ่งพระอาจารย์ก็ตอบแล้วใช่ในเวลาปฏิบัติอนาบานาสติในวิสุดีมัตมีคมปฏิบายที่ปรากฏเราต้องกำหนดรู้ที่ใดที่หนึง่งปลายที่ใดที่หนึง่งปลายจมูกหรือที่บนฝีปาก ถ้าพูดถึงรวมลวมก็ควกนนรกำเนดรู้แถวๆนี้ที่ไหนที่โยมรู้สึกโลมสามารถกำเนดรู้โลมที่นั่นในบอดี้วนนี้แต่ไม่ควรตามข้างในและข้างนอกแล้วก็ไม่ควรไปใส่ใจที่ท้องด้วยพระอาจารย์คะ วันนี้โยมนั่งสมาธิได้ถึงสองชั่วโมงเมื่อเช้านี้นั่งอย่างต่อเนื่องมีสมาธิดีไม่ปรุงแต่งเลยจิตมีความสว่างยาวนานมากลมหายใจเบามากจนแทบไม่มีและดูอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังได้ยินเสียงจากภายนอกท่านสามารถนั่งต่อได้สามชั่วโมงทีเดียว อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าสภาวะเช่นนี้เป็นอย่างไรควรปรับปรุงอะไรเพื่อให้จิตก้าวหน้ามากกว่านี้คะขอคำแนะนำค่ะอันนี้หมายความว่าการกำหนิรู้ดีขึ้นสมาธิดีขึ้นเตยัไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้น ต้องกำเ น, นิรู้ลมต่อไปโดยเพิ่มคุณภาพกำเ น, นิรู้คุณภาพกำเ น, นิรู้หมายความว่าต้องกำเ น, นิรู้ลมเข้าลมออกติดต่อต่อเนื่องนานๆการเจริญสมาดิอยู่ที่คุณภาพกำเ น, นิรู้ที่เป็นติดต่อต่อเนื่องถ้าไม่เป็นติดต่อต่อเนื่องสมาดิจะไม่ดีเท่าที่ควร เขาก็ไม่สามารถจะรินต่อไปถึงขาฉานได้ถ้ามีความสุขสงบอย่าไปยินดีมันถ้าสามารถอยู่กับลมลมได้อย่างดีจิตต่อต่อน่้นไม่ต้องคาดหวังอะไรถ้ายังไม่ถึงเวลาจะไม่เห็นผลอะไรถ้าถึงเวลาก็จะเห็นเราไม่ต้องคาดหวังผลที่ดี เราต้องทำสิ่งที่จำเป็นที่เป็นการกำเนิดรู้ลงให้เป็นติดต่อตอนนั้นมากที่สุดกาปรียนพระอาจารย์เมื่อวานท่านบอกว่าคนที่ทำสมาธิแล้วมีอาการร้อนบูบขึ้นมาให้แผ่เมตตาให้ตัวเองขอความกรุณาช่วยบอกสาเหตุเพราะอะไรคะและมีอาการอื่นๆ อ, อ, อีกไหมที่ต้องแผ่เมตตาให้ตัวเอง เมื่อมีอาการเกิดขึ้นเมื่อวานพระอาจารย์บอกว่าเมื่อทำสมาธิแล้วมีความร้อนวูบขึ้นมาให้แผ่เมตตาให้ตนเองอยากขอทราบว่าสาเหตุเพราะอะไรแล้วถ้ามีอาการอื่นๆยังต้องแผ่เมตตาอย่างนี้หรือไม่คะสภาวะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติ เพราะว่าไม่มีโยนิโสมานสิกันโยนิโสมานสิกันจำได้ไหม <laughs> ในเวลาเราปฏิบัติอนาปานสติเราต้องกำหนื้อรู้แค่โลแต่ในระหว่างกาปฏิบัติอนาปานสติมี ผูปฏิบัติบางคนที่ได้ไปสังเกตลักษณะธาตุที่ปรากฏในตัวร่างกายเพราะฉะนั้นทำให้อาการร้อนลักษณะร้อนแล้วก็อาการต่างๆเกิดขึ้นมาได้ถ้าอาการอะไรก็ตามที่เคยและที่ไม่คุ้นเคย ก็แล้วแต่ไม่ต้องไปกันวนแค่วางอุเบกขาแล้วก็กลับมาดูเราถ้าสามารถทำได้แบบนี้ก็ไม่ต้องเพยเมตตาให้เพยเมตตาไม่ทิ้งให้เปลี่ยนจิตของตัวเองเพื่อจะไม่ไปสนใจอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจิตไม่สามารถรู้สองอารมณ์ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเรา เพเมตตาด้วยสติเราก็เลืออาการต่างๆเพราะฉะนั้นอาการที่เกิดขึ้นก็จะหายไปถ้าเพเมตตาทำให้จิตสงบดีถ้าจิตสงบดีก็สามารถช่วยในการกำานิดรู้ได้ดีด้วยเหมือนกันกาบนมัสการเวลาดูรมที่จุดกระทบแต่ระวันบางครั้งจุดนี้เหมือนเปลี่ยนไป เนื่องจากมีอาการแพ้และอาการชัดจมูกคควรเลือกจุดที่ชัดเจนหรือดูให้ได้จุดเดิมทุกวันคะ่ะถ้าเป็นผู้ปฏิบัติใหม่ๆไม่ไม่ควรบังคับจุดเพราะว่ายัางเปลี่ยนแปลงอยู่เดี๋ยวก็ชัดเจนที่นี่ เดีกวก็ชัดเจนที่นี่เดี๋ยวก็ชัดเจนที่นี่เพราะว่าอันนี้เปลี่ยนอยู่ถ้าเราไปกำหนดได้เราไปเพ่งดูจุดใดจุดหนึ่งเดี๋ยวก็จะทำให้ลักษณะธาตุจะชัดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปบังคับจุดในเวลาที่เราเริ่มปฏิบัติอนาบานาสติเต็กผู้ปฏิบัติที่ สามารถได้กำหนดสามารถกำหนดรู้ได้ดีได้นานอย่างติดต่อต่อเนื่องสมาธิดีขึ้นถ้าสามารถกำหนดได้ถึงชั่วโมงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสมาธิดีขึ้นเรืเ่อยๆตอนนั้นถ้าสมาธิดีขึ้นมีจุดหนึ่งจุดใดจุดหนึ่งปรากฏขึ้นมาที่สามารถอยู่กับ ลมที่นั่นได้ตลอดอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างอัตโนมัติในเวลาที่สมาธิดีขึ้นตอนนั้นสามารถอยู่ที่นั่นได้ตลอดดึงจงกรงก็มีที่สามารถกำเนดรู้ได้ง่ายๆทำอะไรก็มีจุดที่สามารถกำเนดรู้ลมได้อยู่แต่จุดไม่ใช่ไม่ใช่อารมณ์ลมตรงที่กระทบเป็นอารมณ์ คงรายงานนะคะนั่งดูลมหายใจเจริญอนาปานสติแรกๆตัวหย่อนคอตกพยายามยืดตัวขึ้นอยู่บ่อยๆเงยหน้าขึ้นต่อมารู้สึกเหมือนตัวหนักเบาตัวหนักเป็นแท่งแข็งแล้วบางครั้งก็รู้สึกเบาๆแต่ตอนนี้ตัวไม่หย่อนแล้วคอไม่ตกแล้วเวทนาก็ไม่มีอาการรู้สึกตึงเหมือนจะเหมือนมีอะไรค้าอยู่ที่ ด้านหลังเวทนาไม่มีเลยตลอดสามชั่วโมงค่ะดีทำตัวอย่าใช้ความเพียงมากถ้าใช้ความเพียงพอแล้วก็สามารถกาหนิดรู้ลงได้อย่างธรรมชาติมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ถ้ามีความทุกข์ต้องเข้าใจว่าตัวเองใช้ความเพียงมากอยู่แล้ว ไม่เปลี่ยนธรรมชาติแล้วก็กังกัมหนูรู้ไม่เป็ี่นติดต่อตอนเนื่องเพราะฉะนั้นมีทุกมีแต่ความทุกไม่มีความสุขหลังจากปฏิบัติแล้วทำไมแผ่เมตตาจึงมีอาการขนลุกในบางครั้งทำไมขนลุก <laughs> เพราะว่า ปีติเกิดขึ้นปีติเข้าใจใช่ไหมปีติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนลุกขึ้นมาไม่ต้องไปสนใจถ้าไปสนใจก็ลืมจะอยู่กับโารมต่อไปเพราะว่าเราเป็นบุคคลที่แสวงหาความสุขถ้ามีความสุขก็จะไปยันดีมันลืมจะอยู่กับอารมณ์ที่ตัวเองปฏิบัตษอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นดี ที่สามารถช่วยตัวเองได้อย่างมากถ้าไม่ไปสนใจแค่การเรนรู้ลมต่อไปวันสุดท้ายก็คือเมื่อคืนนี้นะคะสะดุ้งตื่นกลางคืนตลอดทำให้นอนไม่หลับจึงจึงทำให้การทำสมาธิเหมือนหลับแต่เวลาทำสมาธิเหมือนหลับได้ส5้านาทีต้องเปลี่ยนอิริยาบถตลอดในช่วงเช้านี้ คือมีการกําหนดลมหายใจเข้าออกทั้ง ท, ทั้งที่รู้ว่าตัวเองหลับและรู้สึกว่าช่วงท้องพองยุบพองใหญ่มากขึ้นช่วงยุบตรงกลางมากช่วงเปลีป่ยนอิริยาบถก็หายไปทคือมีการดูลมหายใจพองยุบตลอดค่ะพระอาจารย์เข้าใจไหมคะ <laughs> คือเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ค่ะเขานอนไม่ค่อยหลับเลยวันนี้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิ ต้องเปลี่ยนทุกๆสิบาพาทนะ่ะสมาธิเขาหายหมดเลยนั่งได้แค่สิบานาะทีต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆแล้วมันก็ไปอยู่ที่พองยุบอีกแล้วเพราะว่าพูทถามก็เป็นบุคคลที่ได้ปฏิบัติพองยุบมาอาจย์นานแล้วไ ด, ได้มาปฏิบัติในค้อนี้ ก็ได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนกำเนิรู้ลงแต่นอนหลับนอนเวลานอนหลับไม่พอก็เลยตั้งสติไม่ไหวก็ทำให้นิสัยที่ทำให้ ที่คุ้นเคยเป็นอารมณ์ที่อยากจะไปกําหนิดรู้อีกเพราะว่าอันนี้ง่ายกว่าในเวลาที่จิตไม่มีกําลังสติไม่มีกําลังไม่สามารถทําสิ่งใหม่ๆได้สามารถทําได้สิ่งที่คุ้นเคยมากขึ้นคนผู้ปฏิบัติแบบนี้อาตมาแนะนำบุคคลใดๆถ้า นอนไม่หลับดีใ น, ในกลางคืนตอนเช้าหลังอาหารเช้าพักให้หน่อยพักส5บน า, าทีอันนี้สำคัญมากบุคคลที่นอนไม่นอนไม่หลับกลางคืนไม่ต้องการนอนหลังอาหารเช้าเดินจงกรงหน่อยถ้ามีเวลาแล้วก็พักสิบห้นาทีไม่ต้องหลับพักสิบห้านาที แล้วก็ปฏิบัติต่อจะไม่ง่วงอันนี้สำคัญมากถ้าทำแบบนี้ก็สามารถช่วยในการกาเนิดรู้ลงต่อไปได้ค่ะก็เป็นคำถามคำถามเมื่อเช้านี้มันซ้ำๆกันนะนะคะพยายามจะเลือกขึ้นมาการนั่งปฏิบัตินานๆจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่ ถ้าไม่พยายามปฏิบัติมีฟูมีฟูเพราะฉะนั้นกังกัมเนรู้ไม่ค่อยดีรู้สึกทุกข์ไม่มีความสุขถ้าเป็นตลอดตลอดชีวิตจะเป็นยังไง ก็จะเป็นทูตเดบุคคลที่พยายามกำหนดรูล้ลงแล้วก็ให้เปลี่ยนติดต่อตอนนั่นมากขึ้นสมาธิดีขึ้นจิตที่เกิดจากสมาธิอันนี้ปิดนิดถ้าสมาธิดีขึ้นจิต รูปที่เกิดจากนะม่ใชรูปที่เกิดจากส ม, มาธิอันนี้ประเนตดอันนี้ขยายทั้งตัวออกไปเพราะฉะนั้นทั้งตัวเบาสบายมากไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขอันนี้สามารถช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นด้วยแต่นั่งไม่ปฏิบัติเข้าใจไหม นั่งไม่ปฏิบาทนั่งไม่กำหนดรู้เรคิดอันนี้คิดอันนั้นสมาธิไม่เกิดขึ้นนั่งยาวนานไม่มีรูปที่เกิดจากสมาธิมีแต่รูปที่เกิดจากความฟุ้งที่ไม่มีพลัง เพราะฉะนั้นตัวร่างกายก็ไม่เบาสบายมีความทุกข์คนแบบนี้ถ้าปฏิบัติสองสามวันก็จะไม่ไหวแล้วแต่ถ้าปรับตัวเองตั้งใจปฏิบัติพยายามกำเนดรู้ลมดีขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนไปเมื่อกี้นี้มีผู้ถามในวันหนึ่งวันที่สอง ก็ ง, ง่วงตัวก็เอยียงไม่ตั้งตรงแล้วก็เวทนามากเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีแต่ความสุขสามารถนั่งได้ถึงสามสามชั่วโมงสบายสบา ย, บายเปลี่ยนไปใช่ไหมอันนี้เลยสามาธิการปฏิบัติที่ดีสามารถช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นด้วยแต่ การปฏิบัติไม่ใช่การรักษาสุขภาพโดยตรโดยโอ้อมสามารถช่วยสุขภาพดีขึ้นได้การปฏิบัติที่พะออกเขาจะไปพะออกต่อยะที่พม่านะคะมีค่าใช้จ่ายอย่างไรเหมือนยูว่าพุทธไหมไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ พ, ออพ่อที่พ่ออกพ่มาค่ะะที่พ่ะมาค่ะแ่ที่พ่ะมาไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถามโยไหนที่อังทองมีไหมถามที่อังทองก็ไม่ได้กำหนดเป็นว่าค่าใช้จ่ายประจำวันต้องเท่าไหร่นะะเพียงแต่ ว, ว่าท่านมีปัจจัยที่จะร่วมทาบุญเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันค่ะแต่ถ้าท่านบวชเป็นสซยเลงเงี้ยนะคะ เป็นไม่ฉีไงคะรับทุนหมดเลยค่ะท่านเจ้าของศูนย์ท่านดูแลทั้งหมดอันนี้ก็ถามเรื่องเกี่ยวกับต่างๆนะคะประเทศไทยมีแนวสอนแบบพ่ออ๊อกที่เดียวหรือมีที่อื่นอีกไหมคะนแนวการสอนในแบบพ่ออ๊อกในประเทศไทยมีที่ไหนบ้างมีที่อื่นอีกไหมคะ แค่มีในใน<ท>อ่งทองนอกนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนั่งปวดหลังปวดอะไรนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจไม่รู้ว่าต้องหายใจแบบไหนหายใจเข้าแล้วกั้นสักนิดนึงแล้วค่อยปล่อยลมหายใจออกจะได้หรือเปล่าเพราะบางครั้ง นั่งได้สบายแต่เจ็บคอเวลาหายใจแล้วแสบคอค่ะต้ <ใน S 1> อง ก, กาหายใจไหมคะในเ<า>วลาปฏิบัติอนาบานาสติเราไม่ควรบังคับลมไม่ควรหายใจด้วยจีตนาเราต้องกำหนดรู้ลมที่เปลี่ยนธรรมชาติแต่คนเราไม่คุ้นเคยกับลมที่เปลี่ยนธรรมชาติ เพราะฉะนั้นทุกคนได้ประสบความลำบากในเวลาปฏิบัติอนาบนานสติเดี๋ยวก็ไปบังคับโลเดี๋ยวก็หายใจด้วยจิตนาเพราะฉะนั้นอาตมาแนะน า, นนนาทุกคนเพื่อจะเพยเมตตาทำไมต้องเพยเมตตาถ้าจิตไม่สงบโลมจะไม่เป็นธรรมชาติถ้าจิตสงบโลมจะเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้น ถ้าเพเมตตาตัวเองแล้วก็เพเมตตาให้เกิดบุคคลที่ตัวเองเคารพนับถือหรือสัพพิสัทธาสัตว์ทั้งหลายก็ได้เหมือนกันเพเมตตาด้วยสติและปัญญาถ้าเพเมตตาด้วยสติในเวลาสั้นๆทำให้จิตสงบถ้าจิตสงบดีลมจะเป็นธรรมชาติอันนี้เป็นการเตรียมดัวที่ดีมาก ก่อนกำเ น, นรู้ลมทุกทุกคนควรเพเมตตาให้เก่ตัวเองห้านาทีแล้วก็เพเมตตาให้แก่บุคคลที่ตัวเองเขารู้หรือสัตว์้งสับทั้งหลายก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็เขียนถามอันนี้เป็นสุดท้ายแล้วนะคะบทสวดเมตตาบทสวดที่ท่านพระอาจารย์เรวตัตสวดก่อนแสดงธรรมเป็นบทสวดเกี่ยวกับอะไร เป็นภาษาบาลีสำเนียงเมียนมาใช่หรือไม่บุตรสวดพุทธวนฒนาเป็นสำเนียงพมามีคำแปลยูเอามาไหมไม่ได้เอามาเจ้าค่ะไมได้เอามาลืมไป<แ>มีนง ม, มีอยู่ใน ครั้งนี้เอาหนังสือผู้แบกภาระมาค่ะแล้วก็จะมีหนังสือมีคำมีมีคำสวดของท่านพระอาจารย์แล้วก็มีคําแปลด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านจะแจกเขาค่ะคําถามต่อไปนะคะอาณาปานสติเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสนาใช่ไหมครับาการปฏิบัติต่างกันอย่างไรงกรันอาณาปานสติเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสนาใช่ไหมครับ การปฏิบัติต่างกันอย่างไรกรรมฐานกรรมฐานทั้งหมดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในเวลาที่สอนทรงสอนสมถะสมาธิศิกษามีกรรมฐานทั้งหมดสี่สิบใช่ไหมกรรมฐานทั้งหมดปฏิบัติแบบสมถะก็ได้ ถ้าสามารถปฏิบัติได้อย่างสำเร็จใช้เป็นอารมณ์วิปัสสนาตไปได้สมมุติว่าถ้าเราปฏิบัติอนาบานาสติเข้าถึงชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่สีอันนี้เป็นสมถะิแล้วเมื่อว่าอาตามาอธิบายให้โยมทั้งหลายฟังวิธีจิตจำได้ไหม ยังงงไหมวิธีจิตถ้าสมาธิลึกซึ่งดีแล้วถ้าได้พิจารณารูปประมาติภายในภายนอกอย่างละเอียดแล้วพร้อมที่จะพิจารณานามในชั้นสมมติว่าโยมเข้าชั้นที่หนึ่งแล้วก็ออกจากชั้น แล้วก็ดูที่ผวังเห็นวิถีจิตในแต่ละวิถีจิตมีจิตดวงดวงจิตหลายๆดวงเกี่ยวข้องกับฉานดวงจิตที่เกิดขึ้นนั้นอย่างมากมายนับไม่ท้วงเกอดดับเกดับเกอดั บ, ด บ, ดบในแต่ละจิตใแต่ละดวงจิตในชานที่หนึ่ง มีจิตและจิเดิจำนวนส4สีที่เกิดเกิดและดับเกิดและดับเพราะฉะนั้นตอนนั้นโดยเห็นความเกิดดับของนามในดวงจิตที่เกิดดับอย่างรวดเร็วพิจารณาอนิจจันดุขันาตานันตานิจเป็นวิปัสสนาในธรรมนองเดียวกันเข้าั้นที่สองออกจากั้น แล้วก็พิจารณาให้เห็นความเกิดดาบของนามในดวงจิตแต่ละดวงจิตแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์อันนี้ก็เป็นวิปัสสนาในทํามนองเรื่อการท้าบฏิบัติกสิงขาวสามารถเข้าถึงชั้นที่สีได้แล้วเข้าชั้นที่หนึ่งออกจากชั้นแล้วก็พิจารณาความกิดแล้วก็ เห็นพิจารณาให้เห็นความเกิดดับของนามนามธรรมจิตและจิตจิตเดกในแต่ละดวงจิตแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์อันนี้ก็เป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นทุกบุคคลที่สามารถปฏิบัติสมถะได้อย่างสมฤทธิ์แล้วก็พิจารณาต่อรูปกรรมฐานโดยพิจารณารูป โดยพิจารณาธาตุสีแล้วก็พิจารณารูปปรรมะที่อยู่ในแต่ละรูปกลับอนุเ ล, ล็กๆที่เกิดดับอย่างรวดเร็วอย่างละเอียดแล้วก็สามารถพิจารณาโตนอนำได้ผู้คนที่สามารถพิจารณานำก็สามารถเปลี่ยนสมถกรรมฐานทั้งหมดสีเป็นอารมณ์วิปัสสนาได้ ก็มีคำถามพ่วง ก, กันต่อมาอีกคนนึ่งนะคะ เ, เรียนถามว่าอนาปานสติที่ท่านพระอาจารย์เมตตาสอนเป็นกรรมฐานเดียวกับอนาปานสติสูตรที่มี16ขั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะอันนี้คงเป็นรายการรายงานผลนั่งสมาธิแล้วมีเวทนาเกิดขึ้นว่าคือปวดที่สะโพกเมื่อดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียว ไม่สนใจเวทนาที่เกิดขึ้นบริเวณที่ปวดรู้สึกเย็นแล้วก็หายไปค่ะก็รายงานผลเพรา ะ, ะว่าที่อัตมเาเคยแนะนำถ้าเวทนาคือในช่วงแรกแค่นิดเดียวไม่ต้องไปกังวลแค่วางอุเบกขาแล้วก็พยายามอยู่กับลมต่อไปถ้าสามารถกำหนดรู้ได้ติดต่อตอนนั้นมากขึ้นนานขึ้น เวทนาก็จะหายไปอยู่ที่สมาธิคำถามต่อไปนะคะห้องปฏิบัติกรรมฐานต้องสว่างหรือมืดจะดีกว่ากันคะในเวลาเริยสมาธิห้องสว่างไม่ดีเท่าห้องมิดห้องมิดดีกว่าวิปัสสนาหลับตาหรือลืมตาดีกว่ากันคะ ผู้ที่ได้เจริญสมาธิแล้วเราก็ปฏิบัติต่อรูปนามกรรมฐานแล้วก็ปฏิบัติต่อเหตุและผลที่เป็นปฏิจจสมุปบาทล้วก็ต้องพิจารณาต่อลักษณะลักษณะราษพิจุปตามาราธนแล้วมีความสามารถที่จะปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปได้แล้วตอนนั้นในเวลาเดินจงกรมหลาบตาก็ปฏิบัติวิปัสสนาได้ ลืมตาก็ได้คลึงหลับคลึงตื่ น, <ะ>นไม่ใช่คลึงตื่น <laughs> คลึงหลับคลึงลืมลืมตาจะว่ายังไงลืมลืมตาคำใหม่คำใหม่ไม่ทราบเดว่ายังไงอาตมาเนะนำในบนทางที่สามารถหลับตาได้ อันนี้ดีที่สุดหลับตาปฏิบัติด้วยหลับตาแต่บางทีลืมตาหน่อยลืมตาดูหน่อยไม่มีอะไรทำต่อไปอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ข้อ3การนั่งควรจํากัดเวลาหรือนั่งตามสบายสบายดีกว่ากันคะ่ะเอ่น้อยที่สุดถ้าปฏิบัติช่วโมงครึ่งก็ดีเพราะว่าสา ม, สสมารถช่วยสติสมาดีดีขึ้น บางทีใกล้ถึงเวลาหนึ่งชั่วโมงสมาดีดีขึ้นถ้าเราจัดไว้แค่จะนั่งหนึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงสมาดีดีขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะลึกทามต่อไปไม่ค่อยมีประโยชน์ถ้าสมาดีดีต้องปฏิภาณต่อไปอันนี้เอาสองคำถามรวมกันนะคะ อยากจะได้กลับไปแนววิธีการไปใช้ที่บ้านอยากให้พระอาจารย์เรียง่งสองสาให้หน่อยว่าควรทําอย่างไรส่วนอีกคนนึงเขียนมาว่าขอพระอาจารย์แนะนําขั้นตอนการปฏิบัติไปทําที่บ้านถ้าเขาทาอย่างนี้ได้หรือไม่อันที่หนึ่งสวดมนต์ก่อนอันที่สองสมาทานศีลอันที่สามแผ่เมตตาอันที่สี่ค่อยกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ถูกต้องไหมถูก งั้นคุณผ<ช>ู<พ>้ชายคุณผู้ชายคนนั้นก็คงต้องทำตามขั้นตอนหนึ่งสองนี้นะคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวที่ทำให้บริสุทธิ์จากกิเลสและเข้าถึงพระนิพพานแต่การปฏิบัติสมถะอาณาปานสติจนถึงฌานหรือทำท่ากรรมฐานในวิปัสสนาจะ จะเกี่ยวข้องเข้าสู่สติปัฏฐานสีได้อย่างไรแล้วก็เข้าสู่อริยมรรคมีองค์8ดได้อย่างไรคะผู้ที่อยากจะเข้าใจสติปัฏฐานสีผู้ที่อยากจะปฏิบัติสติปัฏฐานสี ต้องเป็นบุคคลที่รู้และเห็นได้รู้และเห็นรูปนามปรมาทิล้วสติปัฏฐานสีคือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาดัมมานุปัสสนากายานุปัสสนาคือการพิจารณาไตรลักษณ์โดยเห็นความเกิดดับของรูปปรมาตย์ถ้ายังไม่ มีสัมาดิไม่สามารถเห็นรูปกราบได้ถ้ายังถ้าไม่สามารถเห็นรูปกลา บ, ถ, า ถ, าาลาบถ้ายังไม่เห็นรูปกลบับไม่สามารถพิจารณารูปประมาที่มีอยู่ในแต่ละรูปกลาบอนุเ ล, ล็กๆกถ้าอย่างนั้นไม่มีอารมณ์ที่จะปฏิบัติกายานุปัสสนาในปัจจุบันมีครูบาอาจารย์สอนดูกาย ดูตัวร่างกายแล้วก็พิจารณาอนิจจันตุขันธนตตันหมายความว่าอนิกายานุปัสสนาไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นรูปประมาตยยังไม่รู้ยังไม่เห็นรูปกราบเพราะฉะนั้นรู้และเห็นรูปประมาตยไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีอารมณ์เพื่อจะปฏิบัติกายานุปัสสนา ถ้าไม่ถ้าไม่สามารถกำหนดรู้รูปปรรมที่มีอยู่ในแต่ละรูปกลับอนุเล็กเล็กที่เกิดดับอย่างรวดเร็วถ้าไม่สามารถปฏิบัติให้ปฏิบัติได้อย่างละเอียดภายในภายนอกในทุกททรวนทุกทุกประตูที่อาตมาได้อธิบายให้เกศสาธุชนทั้งหลาย ในภูมิที่มีขันธ์านามเกิดโดยอาศัยรูปผู้ที่ยังไม่สามารถรู้และเห็นผู้ที่ยังไม่สามารถพิจารณารูปประมาะไม่พร้อมที่จะพิจารณานามเห็นไ ม, ไม่สามารถเห็นวิธีเจตได้ไม่สามารถเห็นดวงเจตได้ไม่สามารถพิจารณาเจตและเจตเ ด, ดเสิกทิ ประกอบด้วยในแต่ละดงจิตได้เพราะฉะนั้นเวทนาคือ น, นําเวทนาที่เกิดในแต่ละดงจิตต้องพิจารณาให้เห็นก่อนถ้ายังไม่เห็นเวทนาที่เกิดในแต่ละดงจิตปฏิบัติเวทนาหรือปัศนาไม่ได้เตตามคําสั่งของพระพุทธเจ้าเวทนาไม่สามารถเกิดโดดเดี่ยวอันนี้เกิดด้วย จิตและจิเดกอื่นๆถ้ายังไม่เห็นแบบนี้ไม่เข้าใจจะปฏิบัติเวทนานุปัสสนาอย่างไรในวันนี้มคีคำสอนถ้ามีทุกถ้ามีเวทนาไปพิจารณาเวทนาอันนี้เวทนานุปัสนาใช่ไหมอันนี้เป็นกายการทู กายการุเวทนาคือนามเกิดที่ไหนที่ผวังโดยอาศัยหัดยะวัตถุเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะปฏิบัติเวทนาดุปาาัาสนาเราต้องเห็นวิธีจิตก่อนเราก็ต้องพิจารณาเวทนาที่เกิดในแต่ละดวงจิตที่เกิดดับอย่างรวดเร็ว ไม่อย่างนั้นไม่สามารถเข้าใจวิรนาคืออะไรแล้วแล้วจิตตานุปัสนาจิตตเป็นวียนยัจิตที่เกิดในแต่ละดวงจิตและเกิดดาบอย่างรวดเร็วเราต้องเห็นจิตที่เกิดดาบในแต่ละดวงจิตก่อนเมื่ออย่างนั้น ไม่สามารถปฏิบัติจิตตานุปัสสนาได้แค่ไปดูจิตอันนี้ไม่ใช่จิตานุปัสสนาเราต้องพิจารณาให้เห็นจิตที่เกิดดาบอย่างรวดเร็วในแต่ละดงจิตนอนก่อนที่จะสามารถพิจารณาจิตในแต่ละดงจิตเราต้องเห็นวิธีจิตก่อนแล้วก็ดัมมานุปัสสนา อารมณ์ของธรรมานุปัสสนาคืออะไรอันนี้กว้างขวางมากอารมณ์ของอารมณ์ของธรรมานุปัสสนาคือภาษาภาษาสามพัดสามพัสที่เกิดเลดดาบในแต่ละดวงจิตอันนี้ถ้าเราเอาอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นธรรมานุปัสสนาแต่ยังไม่ครบ ขันธ์ห้าก็เป็นเวทธรรมานุปัสสนาผู้ที่ยังไม่เห็นรูปนามปรมาตย์ไม่รู้รูปะขันธ์ไม่รู้เวทเนคขันธ์ไม่รู้สัญญาขันธ์ไม่รู้สัสงขารขันธ์ไม่รู้วิญญาณขันธ์เพราะฉะนั้นปฏิบัติขันธ์ห้าไม่เข้าใจจริงๆขันธ์ห้าคืออารมณ์ของ ธรรมานุปัสสนาแล้วก็อายดนาสิบสองอายดนาสิองเข้าใจไหมอายดนาสิบสอ2หมายความว่าชักคู่菩萨อนิชักขายนารูปารูปารูปเป็นรูปายดนยามไม่เห็นชักคู่菩萨ถ้าไม่เห็นรูปกลับเห็นชักคู่ส萨ได้ไหม ไม่ได้รูปกลับจักกุปสัตย์เกิดแบบรูปกลับถ้ายังไม่เห็นรูปกลับไม่สามารถพิจารณาเข้าใจอันไหนเป็นจักกุปสัตย์ถ้าไม่เข้าใจจักกุปสัตย์ถ้าไม่เข้าใจรูปารมก็ปฏิบัติอายดานะสิสองไม่ได้ แล้วก u, uh, sa, ็สัตตารุโซดา菩萨คือโซตายตนะสัตตารุเป็นสัตดายตนาแล้วก็กาณา菩萨เป็นกาณายตนาแล้วก็กลิ่นกันดารุเป็นกันดารมณะ เพราะฉะนั้นอนี้ทั้งหมดก็เกี่ยมรูปใช่ไหมรูปปรมาทั์ถ้ายังไม่เห็นรูปปรมาทั์อายานาส2องแนวทางปฏิบัติอายนาบสองก็จะไม่เข้าใจก็ธรรมารงธรรมานุปัสสนาปฏิบัติไม่สามริแล้วก็ทัด18ปทัปได้เย็นไหมทัดสิป ชักปสสาเป็นชักคูปาตุรูปารองเป็นรูปาดาตุชักคูวิญญาณเป็นชักคูวิญญาณาดาตุง ง, งงทั้งหมดใช่ไหมต้องรู้และเห็นรูปและนามทั้งหมดก็เป็นรูปและนานี่เลยท่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สามาอธิบาย และผู้ที่สามารถทรงสอนตามอัธยาศัยของผู้ปฏิบัติบางทีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอธิบายเพื่อจะปฏิบัติสัมพัสความสัมพัสเป็นธรรมารูบางทีแค่นี้ก็พอเก่บุคคลบางคนบางคนกับความสัมพัทเป็นอารมณ์ธรรมารูไม่พอ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองดูอัทยาัยของบุคคลนั้นถ้าถ้าถากุศทรงสอนแบบไหนเขาจะรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงเขาจะบานลุ่พระนิพพานก็เห็นว่าขานห้าเขาชอบก็ขานห้าเป็นธรรมานุปาสสนาบางคนก็ชอบ ตามอายาดานาสิสองอันนี้ก็ดัมมานุปัสสนาเหมือนกันอันนี้ก็แค่รูปรูปประมัดแค่พระสา ม, มาสัมพุทธเจ้าใช้คำใหม่ๆตามอัธยาศัยของผู้ปฏิบานความจริงความจริงอนุปนัาสนาสีไม่ใช่อะไรแปลกๆแค่รูเปเบลน้ำ แค่รูปเล็ดนำเข้าใจไหมเข้าใจนิดหน่อยก็ดีใจเหมือนกัน <laughs> <c oughs> เดี๋ยวจะ ม, มีคำถามยาวอย่างละค่ะอยากให้พระอาจารย์อธิบายปฏิจจสมุตบาทค่ะอี๋คำถามสั้นๆแต่ตอบยาวๆปฏิจจสมุตบาท อยากจะได้เย็นแบบไหนเฮ้วิจปัจจ้าสังขาระสังขาระปัจจ้าวิญญาณวิญญาณปัจจานามรูปนามรูปปัจจาลายรนันศายรนัปัจจาัสโัสสะปัจจาววนปัจจาัาัาปัจจาอุปานอุปานาปัจจา พวบปิดใจจารดีารดปิดใจจรามร่สกปริเดวาขะอมนสุาสสมบูรณ์ที่บครบแล้วนี่ปฏิจจสมุปบาทแต่ในเวลาปฏิบัติกว้างขวางมากอธิบายที่น <rd ic> ี่ไม่พอต้องมาหาครูบาอาจารย์ต <arose> <laughs> <laughs> ้องปฏิบัติภายใต้จนถึงเข้าใจปฏิจจสมุปบาทอตมาจะสม ดีไหมดีอันนี้ไม่ทราบจะถือว่าเป็นซ้ำไหมเจ้าค่ะวิปัสสนากรรมฐานต่างกับสมถกรรมฐานอย่างไรสมถกรรมฐานคือการเรียนจิตที่รู้อารมณ์เดียวติดโดดโดนนนันนนถ้าไม่เป็นแบบนี้ สมาดิจะไม่เกิดขึ้นถ้าสมาดิจะไม่เกิดขึ้นไม่มีกําลังไม่มีพลังเพื่อจะปฏิบัติวิปัสสนาวิปัสสนาคือในการรู้และในการเห็นธรรมที่เป็นความจริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ภิกษุทั้งหลายจงเจริญสมาดิ ผู้ที่ใจตั้งมั่งดีแล้วจะรู้จะเห็นธรรมที่เป็นความจริงวิปัสสนาคือการปฏิบัติหลังที่เราเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงเพื่อจะรู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริ ง, เ ร, เ, ทท เ, เ, รงเราต้องมีใจเราต้องมีสมาดิเพื่อจะให้สมาดิเกิดขึ้นเราควรเราต้อง ฝึกจิตของเราเพื่อจะสามารถกําหนดรู้อารมณ์เดียวติดต่อต่อเ น, นื่องจิตที่รู้อารมณ์เดียวติดต่อต่อเนื่องเป็นจิตที่ทําให้สมาดิเกิดขึ้นถ้าสมาดิเกิดขึ้นแสงเห็นปัญญาก็เกิดขึ้นมาโดยแสงเห็นปัญญานี้สามารถช่วยตัวเองเห็นรูปนามเละ ปฏิจจสมุปบาท ต, ตามที่เป็นความเป็นจริงแล้วก็รูปนามและเหตุและผลทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับตอนนั้นสามารถพิจารณาไตรลักษณ์โดยเห็นความเกิดและดับที่เกิดดับอย่างรวดเร็วตลอดเวลามเมตตาภายในภายนอกอดีตปัจจุบันอนาคตกุศลอกุศลทั้งหมด ดูที่ไหนก็เกิดและดับเกิดดับอันนี้เป็นความเข้าใจที่เกิดขึ้นในเวลาที่สามารถปฏิบัติวิปัสสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้อันนี้นะคะเป็นคำถามที่หลายวันแล้วนะคะตอนตอนที่ท่านตอบหนึ่งอสงไขย ข้างหลังไม่ได้ยินค่ะก่อให้พระอาจารย์พูดอีกครั้งหนึ่งหนึ่งเวลยะเวรานหนึ่งอสงไขยค่ะข้างหลังไม่ได้ยินอสงไขยะค่ะที่ว่าภาษารีบุตรพระมคคารนะต้องบำเพ็ญบรารมีถึงหนึ่งอสงไขย์กัน <c oughs> แสนมหับใช่คนหนึ่งหน่อสงไขย์แลบแสนมหากับมหากับ <c oughs> ใช่ค่ะให้อธิบายอีกครั้งหนึ่งนัง่งข้างหลังไม่ได้ยิน <saber> ค <things> like <that> ่ะอยากจะได้ยินอะไรนิงอสุงไคแสงมหากัดได้ยินแล้วใช่ไหมจะทำอย่างไรขณะบริกรรมเข้าออกดูลมหายใจอีกใจหนึ่งก็ เหมือนกับคุยกับตัวเองในตลอดเวลาการปฏิบัติไม่คืบหน้าเลยรู้สึกลมมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดคุยคุยตัวเองใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกับคุยคุยอยู่กับตัวเองอะค่ะใช่ใชอันนีก็เป็นตามอัธยาศัยบางคนชอบคุยตัวเอง เขาไม่กล้าพูดกับคนอื่นเขาคุยกับตัวเองคุยคุยคุยก็ติดเป็นนิสัยเดี๋ยวนี้ต้องพัฒนานิสัยใหม่ๆยังไงในการคุยกับคนอื่นในการคุยกับตัวเองเราต้องต้องยกจึกขึ้นสู่เกออารมณ์เหมือนกัน ที่ช่วยทำให้เราสามารถคุยกับคนอื่นและสามารถคุยกับคุยด้วยตัวเองคือจิตที่ยกจิตขึ้นสู่แก่อารมณ์ถ้าเรามีความปรารถนาที่จะยกจิตขึ้นสู่แก่อารมณ์กรรมฐานเราสามารถหยุดการคุยการคุยกับตัวเองได้เดี๋ยวเปลี่ยนการยกจิตขึ้นสู่แก่อารมณ์หน่อย ยกจุดขึ้นสู่แก่อารมณ์ที่เป็นลมเข้าลมออกอย่ายกจุดขึ้นสู่แก่การคุยถ้าอย่างนั้นสามารถพัฒนานิสัยอันใหม่ได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่มีฉันทะฉันทะเข้าใจไหมถ้ามีไม่มีฉันทะที่มีกำลังไม่ไงที่จะทำเราติดนิสัย เด็เป็นนิสัยและตามเราทำตามนิสัยของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีความความปรารถนาที่จะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเราต้องมีฉันทะที่เป็นอธิปอดีเพื่อจะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่อย่างนั้นไม่สามารถยกจุดขึ้นสู่แก่อารมณ์ที่เราควรยกจุดขึ้นสู่เขาถามเรื่องการดูลมหายใจต้องเอาใจไปวางไว้ ตรงปลายจมูกเหนือริมฝีปากหรือแค่ส่งใจไปรู้รมบริเวณนั้นเหมือนใจเป็นคนดูรมกระทบที่อยู่ห่างๆใช่ไหมแรกๆเหมือนเราเข้าไปเป็นไปอยู่ในรมหายใจเพราะมีคําบริกรรมด้วยต่อมาเมื่อคำบริกรรมคำบริกรรมหลุดไปเหมือนเป็นผู้ดูแค่รู้ทําถูกไหมครับ ในเวลาปฏิบัติอานาบนานสติมีผู้ปฏิบัติสองแบบบันคนถ้าไม่บริการก็ลืมอยู่กับอารมณ์บุคคลแบบนี้ควรบริการเข้าออกตลอดบันคนถ้าไม่บริการกำหนดได้ดีกว่าถ้าคนแบบนี้ก็ไม่ต้องบริการแต่อาตมาเนะนำทุกคนถ้า ตัวเองเปลี่ยนบุคคลที่สามารถกำหนดได้ดีโดยไม่บริการก็โดยไม่บริการปฏิบัติต่อแต่ในช่วงเวลาใดช่วเวลาไหนบริการหน่อยไม่อย่างนั้นก็จะเดี๋ยวจะลืมอะไรที่ตัวเองทําอยู่บริการหน่อยแล้วก็ปล่อยการบริการแล้วก็กำหนดรู้ลมโดยไม่บริการต่อไปแต่ผู้ปฏิบัติ หม่ๆทั้งหลายควรบริการถ้ากาหนดได้ดีขึรร้นสภาพเปลี่ยนไปถ้าเปรียบเทียบการบริการบางคนดีบางคนไม่ค่อยดีถ้าบุคคลที่ไม่ต้องบริการสามารถกาหนดรู้ได้ดีโดยไม่บริการก็ปล่อยเลยแต่ในนี้เขาบอกว่าเมื่อเขาปล่อยไปแล้วก็ เ, เหมือนกับเขาเป็นการดูลมเฉยๆใช่ไหม ที่อาตมาบอกถ้าสามารถอยู่กับลมได้อยู่เชยเชยไม่ลืมไม่ลืมลเป็นผู้รู้ดูลมหายใจเป็นเ<ก>รื่อยก็ดีดนะค ะ, ะ, คะกราบพระอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงขณะกําหนดรู้ลมที่กระทบบริเวณปลายจมูกสักพักลมละเอียดเบามากคล้ายๆเหมือนไม่มีต่อมาเห็นการสั่นสะเทือนที่บริเวณปลายจมูกแทนลม สักพักก็กลายเป็นการสั่นสะเทือนทั้งร่างกายโยมเห็นตัวเองมีโรพะจิตชอบมันตื่นเต้นและเบาสบายดีแต่เมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโยมจึงพยายามกำหนดดูจิตผู้รู้สักพักอาการสั่นสะเทือนก็หายไปพยายามทำจิตสงบสักพักลมหายใจก็แผ่วคืนกลับมา และรู้สึกว่ามีน้ำตาไหลเอ่อเบ้าตาแต่ไม่ได้ไหลออกมาสิ่งที่โยมเล่ากำหนดรู้ที่เล่ามานี้ถูกหรือผิดขอเมตตาแนะนำด้วยเจ้าคะบางทีไปดูจิตถ้ามีสเทียนใจหรือมีความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตบางทีแค่วางอุเบกขาแล้วก็กลับมาดูลงก็ สามารถแก้ปัญหาีได้บันคนถ้ามองดูจิตแค่ดูเฉยๆโดยไม่ไปโลกมือความรู้สึกของตัวเองเดี๋ยวก็จะกลายเป็นธรรมชาติตอนนั้นก็กลับมาดูเลาคนคนที่ทำคำถามนี้ก็ทำแบบนี้ถ้าเห็นประโยชน์โดยมองดูจิตแต่ที่อาตมาเดือนดูจิต โดยไม่ไปลกมือสามารถวางอุเบกขาได้อย่างได้อย่างง่ายๆถ้าไปลกมืออันนี้จะชาติขึ้นมาจะลำบากมีผู้บอกว่าข้างนอกมีชาติอธิบายปฏิจจสมุตบาท <c oughs> ก็ขอให้ไปอธิบายขอให้พระอาจารย์อธิบายให้ฟังจะทำให้เข้าใจง่าย ข้างหลังเขาจะมีคนเอาชาร์ตปฏิจจสมุปบาทพระอาจารย์องค์หนึ่งมาเขียนให้มันเป็นคมพูด ค, คที่เข้าใจง่า ย, ายเดี๋ยวก็ไปอ่านดูแล้วกันแต่จะถูกทั้งหมดหรือเปล่าไม่รับรู้นะไม่รับรองลมหายใจที่เข้าและออกจำเป็นต้องเป็นที่จุดเดียวกันหรือไม่เช่นที่ริมฝีปากแต่รู้สึกลมหายใจออก รู้รู้สึกแต่ลมหายใจออกบริเวณที่ปลายและรูจมูกตนเองมีหลายจุดกำลังหาและมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่อาตมาได้อธิบายจุดที่ลมกระทบปรากฏบางทีเหมือนปรากฏที่อื่นๆอันนี้หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไร แต่ในเวลาที่กำหนดรู้ลมถ้ากำหนดรู้ลมเข้าลมออกถ้าจะเป็นสองจุดไม่คว ร, เ ร, คว ร, เ, รเราควรเราเราควรเลือกจุดเดียวที่ไหนที่เราสามารถพิจารณาสามารถกำหนดรู้ลมได้ดีกำหนดรู้ลมเข้าลมออกที่นั่น ไม่ควรเป็นสองจุดในบทสวดมนต์มีขันห้าขันมีขันหนึขันมีขันสี่ขันคืออะไรขอบพระคุณค่ะกรให้พราจาอธิบายมีขันห้าขันมีขันหนึขันมีมีขันสี่ขันคืออะไรคืออะไรขันห้า เข้าใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้โยมีขันท่าอยู่ในภูมิที่มีขันท่าปัญจวอการะพุแล้วก็อรูปะโพมีขันสี่ขันไม่มีรูปรูปขันก็นี่ก็จตุวาการะพุแล้วก็อีกมีขันหนึงขันอสัญญาส อาัญญาสคเคยได้ยินไหมอาัญญาสัตัอศัสัตตาภาษาไทยจะพูดกับว่าอาศัจสัตตาอาัญญาสัตศัตที่ไม่มีสัญญาสัตที่ไม่มีนามมีแต่รู้มีแต่รู้เพราะฉะนั้นอันนี้เปลี่น ขันหนึ่งคันเอภาษาไทยจะว่ายังไงดเป็นขันขันเดียวใช่ไหมฮะ <From S 2> มีแต่รู ป, ปมีแต่รูปประกันพรมรูกฟักอ๋ใช่ใช่เอ่อคำโบราณเขาจะเรียกว่าพรมรูปฟักนะตั้งอยู่ท่าไหนก็อยู่ท่า น, นั้นจนเกิดจนตายเลย ก็เหมือนเหมือนเหมือนเห็นไม่มีนามมีแต่รูปมีแต่หนึ่งขันไม่มีนามไม่ขันแล้วขันสี่ด้วยฮะเขถามขันสี่บอกแล้วบอกแล้วใช่ไหมฮะก็คันหาขันหนึ่งขันสี่จบแล้วใช่ไหมคะครบแล้ว <laughs> เป็นปกติไหมเวลานั่งสมาธิเวทนาเกิด แต่พอเรากลับไปรู้ที่ลมใต้จมูกเวทน า, าก็เวทนาก็หายไปแต่พอออกจากสมาธิเวทนาก็กลับมาและปวดมากๆากแค่สมาธิยังไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นธรรมดาอันนี้บอกสาธุชนทั้งหลายอยู่ว่าต้องพัฒนาคุณภาพกรรดูรู้ขึ้นไปถ้าคุณภาพกรรดูรู้ดีขึ้น วิธนาก็จะไม่เกิดง่ายๆคำถามออยอมส ร, รุปรวมหมดจบแล้วค่ะสุดท้ายใค่กราบรัตนาท่านพระอาจารย์นะเจ้าค่ะได้ให้โอวาทให้โยคยีสามารถนำไปปฏิบัติออตัวให้อยู่กับอารมณ์สมาธิไป ใ, ใช้ในชีวิตประจำวันได้เจ้าค่ะขอโอวาสติดด้วยเจ้าค่ะ เราโชคดีที่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนในระหว่างมนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมนุษย์ถ้าเปรียบเทียบบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนา และบุคคลที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนาอันไหนมากกว่าผู้ที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนามากกว่าอันนี้อยู่ที่กามของเราตามคำสั่ ง, สงของพระพุทธเจ้า ในสามสารวัตเราเคยเป็นบุคคลที่ถือความเห็นผิดบุคคลที่ยึดถือความเห็นผิดมากกว่านชคดีในชีวิตนี้เรามีความเห็นถูกเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราได้ยิยนได้ฟังพระธรรมตามประสบการณ์ของอาตมาอาตมาก็เคยสอนลูกศิษย์ทั้งหลายที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีที่นับถือคริสเตียนภาษาไทยจะว่ายังไง ศาสนาคริ huh? สต์ศาสนาคริสต์ใช่ไหมพุที่นับถือศาสนาคริสต์ก็มีแล้วก็ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามก็มีอาตมาเคยสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าผู้มีบัญญาเชิญ มาฟังธรรมหน่อยผู้ที่มีปัญญาไม่มีใครที่ไม่ชอบในเวลาได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่ามีเหตุลผลไม่ได้บอกว่ามาเชื่อแค่บอกว่ามาดูหน่อยมาดูมาดูเธอไม่ไม่บอกว่าไม่ได้บอกว่า มาเชื่อเดศาสนาอินๆบอกว่าอย่าสงสยัยเชื่อถ้าไม่เชื่อก็เป็นบาปอดี่วจะตกบายภูงก็กลัวก็รีพยายามเชื่อกันเชื่อกันต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยบอกใครเพื่อจะเชื่อ ตัาคุตแค่บอกว่าเชิญทุกท่านผู้ที่มีปัญญารู้และเห็นธรรมที่เป็นความเป็นจริงมาปฏิบัติเธอมาดูเธอเดี๋ยวนี้โยมทั้ทงหลายเป็นผู้ที่นับถือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธิขารุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธิมีความเชื่อมั่นในตถาคตแล้วก็ุทธิในพุทธิมีความเชื่อมั่นในพระธรรมแล้วก็ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราได้พบ ได้ฟังจากนันะมีบุญคุณเก่เราอาตมาก็มีครูบาอาจารย์ที่สอนการเหยายบทังปฏิบัติแตกต่างกันแต่ก่อนก็ปฏิบัติมาเหมือนกันก็มีบุญคุณเก่เราเด ในเวลาที่เราได้ทราบว่าอะไรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้อะไรคือพระสัมามสสนนาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนไว้ตอนนั้นเรามีความกล้าหาญที่จะทําตามอะไรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้แนะนำเพื่อจะอาศัยบุคคล แค่นะนาเพื่อจะอาศัยธรรมพระธรรมอยู่นี้อาตมาเนะนมสาธุชนทั้งหลายเพื่อจะไม่ไปอาศัยบุคคลใดๆเพื่อจะอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในวันนี้กี่วันสามวันอาตมาดีใจมากที่มีโอกาสได้ มาเผยเผยพระธรรมทิศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าเราไม่ได้ยินคมสั่งสอนกับพระพุทธเจ้าเราก็จะเข้าใจผิดเดี๋ยวก็ไม่สามารถทำโรแนวทางปฏิบัติที่ควรเละที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นผู้ที่มีบารมีก็ไม่สามารถบรรลุถึงพระนิพพานได้ถ้าไม่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องไปกรูลใครๆตามกรรมของเราเราได้พบได้เห็นได้ปฏิบัติภายใต้ของครูบาอาจารย์ที่สอนแนวทางปฏิบตัติแตกต่างกันที่อาตมาเข้าใจว่าครูบาอาจารย์ที่เราได้พบไม่มีเจตนาร้าย มีแต่จตนาดีดีแตเดเดตามบารมีของครูบาอาจารย์บางบางลูกสามารถสอนได้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางลูกเปล่เพลิดบางลูกไม่ค่อยเข้าใจบางลูกก็ทำตามครูบาอาจารย์ของท่านก็สอนตามครูบาอาจารย์ก็เลยเราก็ได้ปฏิบัติได้โอกาส ไม่มีอะไรที่ไม่ควรศึกษาในชีวิตของเราควรศึกษาล้าก็ต้องเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องทำต่อไปอะไรคือคือสิ่งที่เราหยุดทาต่อไปเข้าใจไหมเดี๋ยวนี้โยมทั้งหลายอะไรคือสิ่งที่ต้องทำต่อไปอะไรคือสิ่งที่หยุดทาต่อไปนั้นพี่จารณาให้ดีๆเถอด น้อยที่สุดเราต้องหาโอกาสเพื่อจะบรรเพินปารมีโดยปฏิบัติวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติตามครูบาตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำดีที่สุดเพื่อจะบรรลุพระนิพพานในชีวิตนี้เราต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องอยู่บนทางที่ถูกต้องไม่อย่างนั้นบรรพินปารมีไม่ได้ ถ้าเราไม่อยู่บนทางที่ถูกต้องแม้แต่เราบันเพนบารมีมาในอดีตชาติไม่สามารถบรรลุมรรคยานผลลัพยานในปัจจุบนันนี้ถ้าเราอยู่บนทางที่ถูกต้องเราจะสามารถเปิดประตูเข้าสู่พระนิพพานขอให้โยมทั้งหลายสามารถเปิดประตูเข้าสู่พระนิพพานไทยในชีวิตนี้เถิด